กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์อจิรังวัฏยังกาโย ο, ปทวิ่งอาทิตเซสติชุดโดอเปตะบิญญาโนนีรทั้งวะกลิงคารังไม่นานเลยกลายนี้จากนอนทับแผ่นดินกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณอันเข่าทิ้งแล้วก็เหมือนท่อนไม้อันไร้ประโยชน์อธิบายกวางกายนี้ประกอบด้วยอายุไอายอุ่นและวิญญาณ จึงยังมีการเคลื่อนไหวทำนั่นทำนี่ได้อยู่แต่เมื่ออายุสิน้นอายอุ่นดับวิญญาณออกจากร่างก า, ายนี้ก็ไร้ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจเพราะไม่มีสาระอะไรสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอายุอุสมาจะวิญญาณังจะดากายังจะหันติมังอภิทโฮตัดาเซติเอตหาซาโรนวิชติเมือ่อใดอายุไอายอุ่นและวิญญาณละทิ้งกายนี้เสียเมื่อนั้น กายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนอยู่สาระในกายนี้ไม่มีเลยทอนไม้ด้วยซ้ำไปยังมีสาระในการหุงต้มหรือทำทับผสัมภาราอย่างอื่นแต่กายนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูหนอนและแรงกาเมื่อตายแล้วคนที่เคยรักก็ไม่ปรารถนาจับต้องวิญญาณหรือจิตจึงเป็นแกนสำคัญให้ร่างกายนี้พอมีค่าอยู่ปราศจากวิญญาณเสร็จแล้วกายก็กลายเป็นของไร้ค่าทันที พระาศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปราบพระปูติคัตติติสะเถระผู้มีร่างเปลือยมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระปูติคัตติติสะเถระท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมเทศนาของพระาศาสดาและมีความเรื่อมใสขอบรระชาอุปสมบทตั้งใจบวชตลอดชีวิตต่อมาโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นปอมเล็กๆเกิดขึ้นตามผิวหนังก่อน แล้วโตวขึ้นเรื่อยๆเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดถั่วดําเมล็ด ก, กระเบลเท่าผลมะขามป้อมและเท่าผลมะตูมตามลําดับแล้วแตกน้ําเหลืองไหลทั่วกายร่างของท่านปลุกพุ่นไปด้วยรอยแผลจึงได้นามว่าปูติคัตตาริสัแปลว่าพติสัพผู้มีกายเน่าต่อมากระดูกของท่านแตกเจ็บปวดแสนสาหัสผ่านุ่งผอามของท่านเปื้อนไปเลือดและหนองพวก สัตถิงิหาริกอันเทวาศิกงท่านรังเกียจพากันทอดทิ้งท่านหมดสิน้นท่านหมดที่พึ่งนอนอยู่คนเดียวเช้าวันหนึ่งพระศา ส, สดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวณายสัตรพระปูติคัตเข้าไปในข่ายพระยานทรงทราบว่าปูติคัตมีอุปนิสัยแห่งอารันตผลและไม่มีใครเป็นที่พึ่งนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวจึงเสด็จออกจากพระคันธกุดีประหนึ่งเสด็จจาริกไปในวิหารเสด็จไปที่กุดีของ พระปูติคัตทรงถามทราบความทั้งหมดแล้วสเสด็จไปสู่โรงไฟทรงติดไฟล้างหม้อใส่น้ำแล้วยกขึ้นสู่เตาไฟประทับอยู่ในโรงไฟเพื่อรอน้ำให้เดือดทรงทราบว่าน้ำเดือดแล้วสเสด็จประจับปลายเตียงข้างหนึ่งที่พระปูติคัตนอนมีพระประสงค์จะยกเตียงด้วยพระองค์องเองขณะนั้นภิกษุหลายรูปเห็นพระศาสนาทรงกระทําเช่นนั้นก็มาขออาสาทำเสียเองช่วยกันยกเตียงของพระปูติคัตไปยังโรงไฟ พระศาสดาทรงให้นำรางมาคํอาอธิบายคงจะเป็นรางไม้ขุดคล้ายรูปเรือเล็กๆแต่ทองแบนสําหรับว่าย้อมจีวรซักจีวรเคยเห็นในวัดชนบทหลายแห่งรางอย่างนี้คงทนถาวรดีนักทรงเทน้ําร้อนใส่แล้วสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเปลื้องพอ่อข่มของภิกษุป่วยออกขยำ้ำด้วยน้ําร้อนแล้วให้ผึ่งแดดไว้พระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ใกล้เธอทรงรดน้ําอุ่นให้เองทรงถูสรีระของภิกษุป่วยให้อาบน้ําอุ่น เมื่ อ, อผ้าห่มแห้งทรงให้เอาอผ้าห่มนั้นนุ่งดึงเอาผ้านุ่งออกมาให้ขยําน้ําร้อนแล้วพึ่งแดดไว้เมื่อตัวของเธอแห้งผ้าหนุ่งก็แห้งพระาศาสดาให้เธอนุ่งผืนหนึ่งและห่มผืนหนึ่งพระปูติคัสตได้รับปฏิบัติเช่นนั้นสรีระก็กระปี้กระเป๋าขึ้นจิตอย่างลงสู่เอกกตารม์คือมีอารมณ์เดียวไม่วอกแวกพระาศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระปูติคัสตพร้อมที่จะรับพระธรรมเทศนาแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า อจิีรังพระตยังกาโยเป็นอาทิมีในและคำอธิบายดังได้พนาณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระปุติคัตได้บรรลุอรหัตผลแล้วปรินิพานคนเราอื่นก็ได้สำเร็จอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดให้ทำชาวปรกิจศพแล้วทรงเก็บอัติธาตุแล้วปโปรดให้ทำเจดีไว้ต่อมาวันหนึ่งที่สุทังหลายทูลถามพระศาสดา ว, ว่าพระปูตติคัตไปเกิดที่ไหน พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระปูติคัตรปเรณิพานแล้วภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ภิกษุผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เช่นนี้เหตุไรจึงมีร่างกายเปื่อยเน่าและกระดูกแตกพระาศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายผล น, นี้เกิดจากกรรมที่ปูติคัตตติสสะเคยทําไว้นนในการไราและกรรมอะไรพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟัง พระศาสย์สดาตรัดเล่าเรื่องอดีตกรรมของพระปูตติคัตตติสะดังนี้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวาการศพพระติสะเป็นผานนกข่านกบำรุงอิสรชนคือรับจ้างข่านกให้คนใหญ่คนโตนกที่เหลือก็เอาขายนกที่เหลือจะขายก็หักปีกหักขาเก็บไว้เพราะคิดว่าถ้าข่าแล้วเก็บไว้มันจะเน่าเสียหมดคนต้องการบริโภคเท่าไรก็ปีกไว้นกที่เขาหักปีกหักขาไว้นั้นขายในวันรุ่งขึ้นวันหนึ่ง เมื่อโภชนะอันมีรสดีของเขาสุกแล้วเขากําลังเตรียมบริโภคพระขีนาศบองค์หนึ่งมาบินทบาตหน้าบาบนเขาเห็นพระแล้วคิดว่าเราได้ฆ่าสัตว์มีชีวิตเสียมากมายแล้วบัดนี้พระมายืนอยู่หน้าเรือนโภชนะอันดีของเราก็มีอยู่เราควรถวายอาหารแก่ท่านเขาคิดดังนั้นแล้วได้รับบาดพระพระใส่โภชนะอันมีรสเลิศจนเต็มบาดแล้วถวายบินทบาตนั้นไหวพระด้วยเบญจางขะประดิษฐ์แล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยกุศลผลบุญนี้ขอเข้าไปเจ้าพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระเถระอันโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสนาตรัสในที่สุดผลทั้งหมดได้เกิดแก่ติศะเพราะกรรมของเขาเองเพราะทุบ ก, กระดูกนกจึงยังผลให้มีร่างกายป่วยเน่ากระดูกแตกอาหารบิทบาทที่ถวายแก่พระขีณาสกและอธิษฐานเพื่อรมยังผลให้เธอบรรลุธรรม คือพระอรหันตผลภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมไม่ไร้ผล